เก็บดวงใจเพราะคนใจร้ายท้งลายรักเราเสียจนแหลกรานโอ้ความรักที่สุดแสนหวานต้องกลับร่ารานเพราะมีนานประจนสุดปัญญาเพราะว่าพงจนต้องจกหนาหมนละเหมือนคนสิ้นใจมาสู่ขอเขาเงินพอมีทั้งงานทั้งเปียวังมีกูเ้เชย ขับช้ำตรมหวังไว้ไม่สมผมมีเงินไม่พอตัวตาใจร้ายขายตั้งหลายหมืน่นแม่ยายยิ้มเชินผมสะอื่นช้นสวงสิบหมื่นสิบหมื่นสิบหมืนม่ น, มนแม่ยิ้มระรื่นคงคืนลงคอคุณพ่อครับผมแย่ yeah. คุณแม่ครับผมจนสิบหมืน่นผมเหลือทนไม่ขอดิ้นรนให้คนท้ายลูก ราบลาแล้วขอเจ้าลาจนไม่ขออ้อนวนละงอองอนทั้งสิน้นภากเป็นเคยคงขายผมกินต้องดับแดดดินเพราะถูกกินถึงตายหมดคนขายแม่ยายยังอยู่จะให้นาดูต้องมีแถมพอ สิบหมืน่นสิบหมืน่นสิบหมืน่นแม่ยิม ร, รื่นของคืนลงคอคุณพ่อครับผมแย่ yeah. คุณแม่ครับผมจนสิบหมืน่นพงเรือทนไม่ขอดิ้งร่นให้คนขายลูกกินกราบลาแล้วขอเจ้าลาจรไม่ขอนอ น, อนละงอ น, อนทางสิน้น